รัไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาโควินทสูตรสูตรว่าด้วยมหาโควินทพรามพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาคิตสกูดใ ก, กล้กรุงราชฤท์บุตรแห่งคนทันชื่อปัญจสิกขะเข้าไปเฝ้ากราบทูลเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นมาจากเทพชั้นดาวดึงในที่ประชุมชื่อสุธรรมสภา เาสักกะได้กล่าวพันนาพระคุณของพระพุทธเจ้า8ประการคือ 1. ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ 2. ทรงแสดงธรรมอันเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาในตนเป็นต้น 3. ทรงแสดงธรรมอันเป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสบไม่ควรเสบเลวพระนีษดำขาวและมีส่วนเปรียบ 4. ทรงบัญญัติ ด, ด้วยดีซึ่งข้อปฏิบัติอันจะนำไปสู่พระนิพพานแ ก, พาาก่พระสาวกพระนิพพานและข้อปฏิบัติก็เข้ากันได้เหมือนน้ำในแม่น้ำคงคากับยมุนา ทรงได้สหายคือพระเสขผู้ปฏิบัติและพระอรหันต์ผู้อยู่จบรมจรรย์แล้วแต่ก็ทรงปลีกพระองค์จากสหายเหล่านั้นทรงประกอบความยินดีในการอยู่แต่พระองค์เดียวสำหรับข้อนี้พระเสขคือพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่าพระอรหันต์ยังต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอันสูงขึ้นไปห ทรงมีลาบและชื่อเสียงอันเพียบพร้อมมีกษัตริย์เป็นต้นรากใครแต่ก็สวยกระยาหารอย่างปราศจากความเมาเจ็ 7. ทรงพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นแปดทรงข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงเป็นความดำริอันสําเร็จสมบูรณ์ไม่ติดอยู่เพียงขั้นใดขั้นหนึ่ง ทั้งแข้อนี้ท้าวศักกะกล่าวว่าไม่มีศาสดาใดเทียบพระผู้มีพระภาคทั้งในอดีตและปัจจุบันต่อมามีแสงสว่างอันโอฬารปรากฏขึ้นสนังกุมารพรมก็นิรมิตอัตภาพอัญญาบให้ปรากฏแก่เทพชั้นดาวดึงถามทราบความว่ากำลังสนทนากันเรื่องอะไรแล้วสนังกุมารพรม ก็เล่าเรื่องโจติปาลมานพผู้เป็นบุตรของโควินทพรามปุโรหิตของพระเจ้าที่สัมปติผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตแทนบิดาของตนเมื่อท่านถึงแก่กรรมเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วก็ทาหน้าที่จเจริญรอยตามบิดาจนคนทั้งหลายขนานานามว่ามหาโควินทพรามต่อมาเมื่อพระเจ้าที่สัมปติสวรรคต เรณุราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสและเป็นพระสหายของมหาโควินทพรมขึ้นเสวยราชก็ตรัสสั่งโควินทพรมให้แบ่งราชสมบัติออกเป็นเจ็ดส่วนส่วนหนึ่งเพื่อพระองค์อีกหกส่วนเพื่อกษัตริราชกุมารอื่นๆที่เป็นพระสหายรักใคร้จึงมีเจ็ดแคว้นเจ็ดราชธานีดังนี้หนึ่งแคว้นกาลิงคะ ราชธานีชื่อทันตปุระ 2. แควนอัศกะราชธานีชื่อโปตนะ 3. แขวนอวันตีราชธานีชื่อมาหิตสติ 4. แขวนโสจิระราชธานีชื่อโรรุกะหแควนวิเทหะราชธานีชื่อมิถิลา 6. แขวนอังคะราชธานีชื่อจาปาเจแขวนกาสี ราชานีชื่อพารานศีมหาโควินทพรามเป็นปุโรหิตถวายอนุาส า, า, าส์แด่พระมหากษัตริย์ทั้งเจดแคว้นนั้นต่อมาได้กราบทูลลาพระมหากษัตริย์ทั้งเจ็ดออกบวชประพฤติพรมจรรย์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเป็นราชาของราชาทั้งหลายเป็นปรมของพวกพรามและเป็นเทวดาของพวกครหบดี ใครไอาจามหรือพลาดหกล้มก็เปล่งวาจาว่าขอนามัส ก, การมหาโควินทพรามบ้างสัตตปุโรหิตคือปุโรหิตของพระราชาทั้งเจดบ้างมหาโควินทพรามได้เจริญฌานมีพรมวิหารสีเป็นอารมณ์มีสาวกปฏิบัติตามได้ผลเป็นอันมากนี้เป็นเรื่องเล่าของสนังกุมารพรมในเทวสภาในดาวดึงปัญจะสิกขา บุตรแห่งคนทันเล่าถวายพระผู้มีพระภาคอีกต่อหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์เองได้เสวยพระชาติเป็นมหาโควินทพรามในครั้งนั้นแต่ในครั้งนั้นทรงชี้ทางแก่สาวกเพียงแค่ที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมได้แต่ในชาตินี้ทรงแสดงมรรคแปดอันเป็นไปเพื่อพระนิพพานคือสูงกว่าพรหมโลก